จิตใจของเราฝู้ประพพติปฏิบัติกว่าทำนองเดียวกันถ้ามันสัมผัสในอัดในรร ม, มันก็มีความร่มเย็นเป็นสุขนึกคิดอะไรก็ปปอดโป่งสว่างสวัยถ้าชีเเล็บปันแหาขอบงามจิตใจอยู่แต่าถามที่ใดคิดอะไรมันก็มืดดำเป็นทุกข์ไม่ปอดโป่งให้นี่คือเรื่อง ใจของเราทุกคนมันเหมือนกันข้าหากวาพิ่ปฏิบัติไม่จิตแตกแตกต่างกันถึงจะพูดไม่ได้คนใบ้ไม่เคยพูดเป็นกลางวันอ่อนวันเกมันก็รู้จักไปจับไฟไฟนั้นเป็นอย่างไรถึงมันพูดไม่ได้มันก็รู้จักไปถูกนั้นแข็งนั้นแข็งมันเป็นอย่างไรมันรู้จักแต่มันพูดไม่ได้มีการจะเพปฏิบัติ ของพวกเราทั้งหลายก็ทานองเดียวกันถ้าหาปฏิบัติไปจิตใจไปสัมผัสกับเรื่องอาจเรื่องธรรมมันก็จะต้องทราบจิตใจที่เกิดจิเลี่ยนกันหามานาัชกิขึ้นมันก็จะต้องทราบพอมันได้สัมผัสโ ด, ดยตัวของตัวเองดังนั้นการปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสาคัญทุกท่านจะต้องเห็นต้องเป็นในตัวไม่ใช่ว่าจะไปเสือ่อตาหลับตํารา อย่างนั้นอย่างนี้พอมันเห็นมันเป็นในตัวคนอื่นม่รับรองให้เรากว่ารับรองตัวของเราเองพอเราเห็นเราเป็นมีการจะทำบาเพ็ญทางศาสนามีคุณค่ามีสาระอย่างนี้ทุกคนมีสิทจิตจะประเฤตปฏิบัติตามอรรมาจทำจิตพระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่ว่าเราหมดสิ์เพราะทำไม่ได้ผูกขาด เป็น ข, ของคาราะหรือบันทชิตใครต่างหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติรักษากายวาจาใจทองตัวทำร้าชั่วคื อ, อจีเยดปัญหาออกไปพระพุทธชเจา้าท่านรับรองว่าเป็นสาวกของท่านดอสุปฏิปันโนปฏิบัติดีทางกายทางวาจาทางใจจิงไดผิดเป็นใครเป็นอันตรายละเว้น อดิงไม่กอบปยหาบหามทอดหิวเอาละเลื้อยไปไมนว่าความดีส่วนใดถี่ควรทำได้อุตสาห์พยายามทำให้เกิดให้มีในกายใ น, ในใจของตัวผู้ตังหน้าต่างตาละชั่วบำเพ็ญดีประพทศปฏิบัติดีอย่างนี้พระพุทธเจ้าถือว่าสุปฏิปันโนคือผู้ปฏิบัติดี ฆราวาสตัวสาวาสังโคเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายไม่ว่านักบวชไม่ว่าฆราวาสถ้าปฏิบัติถูกต้องตามโอ้อธิพระพุทธเจ้าสอนปฏิบัติดีด้วยใจด้วยวาจาด้วยใจคลองตัวลรชั่วให้หมวดใจตกใจผันถือว่าสาวกในจอไปบวชออกมาจากโบสถการบวชออกมาจากบวถ มีอุปาชาอาจารย์นั้นมันเป็นสมมติสองอริยสงฆ์คือบวชจิตบวชใจของตัวเองเว้นสิ่งที่ชั่วที่เสียต่างๆการบวชก็คือการออกออกจากสิ่งที่ชั่วที่เสียให้ห่างใกลออกไปจิตจิตเคยคิดฟุง้งจิตคล่องในเข่าของต่างๆเกิดคำ หึงหวงกำหนัดยินดีโลภโกรธหลงทับผมโจมตีจิตใจเรียกสำลา่าแกะไขด้วยสติด้วยปัญญาพิจารณาตามคำคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่บ่อยๆสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราทำล่าใส่สังเราแก้ไขาเรื่อยไปมันจะหมดไปตกไปถึงมันจะใหญ่ตัวขนาดไหนอาศัยความถาคความเทียน กำหนดพิ่เจรณาส้ำละอยู่ไม่อยู่ไปถอยมันก็หมดไปได้พระพุทธทเจ้าท่านเกาะประพฤตปฏิบัติมาอย่างนั้นกว่าจะตัรู้เป็นอรหันตอรหันทุกองต้องประพฤตปฏิบัติมาไม่ใช่ว่ายอยู่ๆก็ตัดรู้เอาเองโดยเนื้อที่นิี่านมาอะไรเป็นไปไม่ได้ทำนองนั้นอุทุศปฏิปันโนปฏิบัติตอง ต่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้เราอย่าไปฝ่าไปถืนทำสอนของทัาท่านสอนด้วยความบริสุทธิ์ใจใน ม, มีกิเลสปัญหาอะไรแฝงในพระภัยของพระ อ, องค์สอนด้ยวยความจริงจริงได้เช่นอย่างไรสอนอย่างนั้นแต่กิเลสของพวกเราท่านมันฝ่าถืน ท่านวาอย่างนี้เราจะเอาอย่างนั้นมันก็เลยไม่เท่าไม่ตรงตอจุดหมายปลายทางผี่พระพุทธเจ้าทรงบอกหสอนให้ใจของเรายังไม่เท่าตรงในธรรมไหมเมื่อเราประพฤติปฏิบัติที่นิพพยานาชําระจิตขี่ฝ่าผืนเดินนอกทางให้เข้าลู่ขอทางน้าจิตของเราก็จะสบาย ตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านสอนว่าให้เราให้ทานแล้วกว่ดนให้ทานแล้วสอนให้เรารักษาศีลแล้วก็รักษาศีลสอนให้เราแต่ทำบาเพ็ญภาวนาเราวก็แต่ทำบำเพ็ญภาวนาเราเห็นเราเป็นเราเหยียบเราเย็นเราฝุกเราสบายตรงไปตรงมาในคาสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้เท่าตัวไม่ได้เท่าข้างของกีเลียตัญหามา n a พิถิ ทำมีอย่างไรตรงไปที่ตรงนั้นนี่คือปฏิบัติกายใจท้องตัวให้ตรงต่อธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนผู้ปฏิบัติปฏิบัติสําระชั่วบำเพ็ดีตรงตามคาแนะนําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นชหวว่าดันพชิตก็ไม่ผิดเป็นสาวกของพุทธเจ้าไ่ะปฏิบัติ เพื่ยวความออกจากทุกปฏิบัติผืออับีือ ร, รมเป็นสำคัญไม่เดียวปฏิบัติเพื่อโลกไม่ปฏิบัติเพื่อกี่เหล็ต่างหน้าสำลัสาสางจิตใจขลองตัวถึงละเอียดขนาดไหนแต่บรรยังนี้มีพิษมีภัยก็มีสติมีปัญญาสรบบาบได้หยุดสำลระมันไป มันมีนิดมีดนดหน่อยมันก็ไม่ดีสําหรับกิเลสตัญหาเหมือนกันกับโรคภัยในกาเมื่อมันยังมีอยู่มันก็ให้ทุกข์ให้ทุกจึงรีบชาระสายสางขิจาระลชางจิตใจให้สะอาดผู้จงางนาจางตาปฏิบัติอย่างนี้คือปฏิบัติเพื่อทําในปฏิบัติเพื่อโลกในปฏิบัติเพื่อกิเลส ญาญาปฏิสันโนปฏิบัติเพื่อทำเพื่อออกจากทุกข์จนจิตบริสุทธิ์เป็นวิมุตติป่องพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรความบริสุทธิ์ในพระไทัยของพระองค์สาวกทร่วงรับดับขันไปนับแสนนับล้านไม่ได้เป็นอย่างไรใจของเราในปัจจุบันเป็นอย่างไรมีอะไรที่จะสงสัย เข้าใจชับเจนเป็นสามีจิตปฏิปันโนเพื่อไม่มีอะไรที่จะสงสัยเกณน์นายของจีเรศกายวาจาที่มีอยู่บังคับบัญชาได้ในหลวงไหลใฝ่ฝันไปในจีเรศตัณหาเหมือนเก่าก่อนไม่มีอะไรที่จะสํารักไม่มีอะไรที่จะบําเพ็ญความบริสุทธิ์เป็นอย่างไรไม่มีทางสงสัยเพราะ มันเ็นนมันเห็นมันรู้ในใจของตัวนี่คือสานีจิเป็นไมยอยู่สถานที่ใดก็เป็นนหนจะตายก็เป็นนหนหรือเป็นบ่าวขันจึงอยู่สุขอยู่สาบายนี่การปฏิบัติจิตใจที่พระพุทธเจ้าแ่สอนเป็นของที่ดีมีคุณค่าจิตตัง ท่นตังสุ ข, ขาวะหังการสุขจิต ด, ดีแล้วนําความสุขมาให้สุขอย่างไรนั้นผู้บ่เพฤ่อปฏิบัติไม่มีทางสงสัยเข้าใจแต่ก่อนมันทุกข์อย่างไรที่แก้ไขยังใมหมดไม่สิ้นถึงยังนิดๆหน่อยมันก็เป็นทุกข์อยู่ในจิตในใจตัวซ่าเพราะอยากจะให้มันหมดมันสิ้นไปแต่เมื่อแก้ไขหมดทุกหมดทุกขแล้ว มันเป็นถุกอย่างไรนั้นทราบีอีกเหน้องกันในต้องไปหาใบประกาศนิยบัตจากไทยมาติดหนาา้าผาว่าเป็นอรหัตอรหัสมโนดาบันใส่จีธาชาณาชาอย่างไรถ้าหากเรากําจัดขับไล่อย่างกิเลสปัญหาจิตใจของเราสุขจิตใจของเราสบายละถอนความจิตคล่องเศรามองต่างๆไปได้มันเป็นใบประกาศนิยบัตร อยู่ในตัวของมันมันดีมันชั่วมันละมันถอนอะไรไม่มีทางสงสัยพอใจเข้าถึงเรื่องของอาจของทำทุกคนยอมเป็นยอมเห็นยอมรู้ไม่ว่าชาลว่าบรรชิต ไ, ไม่ว่าอาดีตอนาคตมันเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นบทเรียนในตัวเองทราบได้ จากจิตจากใจของตัวเองไม่ต้องไปหาคนอื่นมารับรองให้หาคนอื่นมารับรองให้ถ้ามันในเป็นอยู่ใ น, ใ น, นใจิตในใจมันก็เหมือนใบประกาศนิยบัตต่างๆสอบนะัมตนะรีนะคำโทนะําเอกได้ใจจิ ต, ตมันเป็นอย่างไรมันเป็นเอกไหมหรือมันยังยุ่งเกี่ยวกับยืดเดื้อปัญหามานาทิฐิมันยังไม่ดีไม่ชอบอยู่ถ้ารับรองได้ คนอื่นรับรองให้มันบริสุทธิ์ปดเชียนอรหรรันต์ศีลาภาให้ในต้องปฏิบัติกายใจอะไรไม่ตัดีวิศเศษเท่านั้นนี่ในเช่นอย่างนั้นใบประกาศนิยบัตหรือคนอื่นรับรองให้จึงไม่มีทางที่จะแจก้ายใจท้องตัวได้นอกจากจติตปัญญาสรัาทธาความเชียอเท่านั้นจะต้องตั้งหน้าตั้งตาสําระเรื่อยไปใจสืบคอยค่องจิตคิดปรุงไปในเรื่องต่างๆ มันห่อยลดออกไปตกออกไปหมดออกไปพะเรามีสติรักษามีปัญญาเนี่ยสอนใจไม่ต้องให้ใครมารักษาให้ยัใใ่างใช่มาําระให้เราําระตัวคลองตัวเย่ยืยเรื่อยไปมันหมดทำไมจะไม่รู้มันหมดทำไมจะไม่เห็นมันจะต้องเห็นต้องรู้เพราะทำเป็นปัด จ, จัด่ังเป็นสารที่กิโก จะต้องรู้ต้องเห็นในจิตในใจของตัวเองว่ามันเป็นอย่างไรตั้งแต่ท่านต้นจนอาวาสานจะต้องเห็นต้องเป็นอย่างนั้นจิตใจถือใจคล่องจิตคิดปรุงหาความสงบเย็นใหม่ได้มันก็รู้จิตใจปรุงคิดติดข้องในอาจทำพอใดละเอียดหยาบขนาดไหนมันก็รู้นี่คือผู้กว่าพติปฏิบัติดูภายในของตัวไม่ต้องไปดูที่อื่น เพราะชวดีไม่มีอยู่ที่อื่นอยู่ที่กายที่ใจของเราเท่านั้นถ้าหากเราที่นี่ที่เจนะอ่านธรรมะคือที่ใจนะเรื่องกายเรื่องใจของตัวที่ชวทดีดีอยู่ส ม, ม่ำเสมอมันก็มีกำลังมากขึ้นทางดีคือสติคือปัญญาจะสอบสื่อสำลักสะสาง จิตใจผิตให้คิดติดปรุงต่างๆให้ตกให้หลุดออกไปพอใจไปยึดไปถือนั้นมันยึดถือด้วยความหลงผิดความจริงจริงทั่วไปถ้าหากจิตใจของเราปัญญาอย่างรู้จริงจังทุกสิ่งทุกอย่างมันเปิดสว่างอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาแต่ด้วยอํานาจกิเลสตัณหา มาปกปิดหุ่มหอ่อมันจึงมองไม่เห็นถ้าเราสำละเรื่องเลียปัญหาไปความบริสุทธิ์ความหยัเย็นข้องใจเป็นอย่างไรมันก็ไม่ต้องไปถามคนอื่นจนถึงความบริสุทธิ์ของใจเป็นอย่างไรนั้นถ้ายังไปถามคนอื่นวะฉันบริสุทธิ์ไหมปกคือคนไม่ดูใจข้องตัวจะไปหาที่ไหนอีกความบริสุทธิ์ พอ ม, มันเห็นมันเห็นอยู่ในจิตในใจมันกม็มีการหาพอมันเห็นแล้วจะไปหาที่ไหนจะทาละอะไรอีกถ้ามันบริสุทธิ์มันก็รู้นี่คืออา น, นิสงส์การประเสธปฏิบัติอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนอย่าไปมองข้ามว่าเราอาภัพอัปราชนาะว่าธรรมะหมดการหมดเวลาก็ตัวข้องตัวไม่ต่างหน้าต่างตา ปรเพื่อปฏิบัติรักษามันก็อาภาพเรื่อยไปมันอาภาพกว่าทําให้มันดีมันวิเศษขึ้นได้นี่นะใช่เราจะไปทำเหเราหนอจะเราจะทําเอาเราไ ม, ม่อิ่มเราก็ต้องทานให้มันอิม่มเราอดเราจนแล้วก็สแสวงหายินง้องมามันจะได้ใช่ต่อไปมี อ, อดจนเท่าไร่ก็ยิ่งไม่ไปหาเหน่อเท่าไรก็ยิงไม่รับทานอะไร จใจมันอิ่มมาจากที่ไหนคนที่ไม่จ้งหน้ า, าสังตาปฏิบัติรักษ า, าใจใจท่องตัวกว่าทำนองนั้นไปถิอว่ามรรคผลหมดชาตหมดสมัยทําอะไรก็ไม่เกิดสาระประโยชน์เท่าเขาไม่ประพฤติปฏิบัติใจใจของเขาก็าจะพูดจนปากฉี่มันก็ไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรเพราะเขาไม่ได้ประพฤติปฏิบัติ คนที่เชื่อแบบนั้นกคนบ้าไม่กินจะให้มันอิม่มไม่ไปจะให้มันถึงไม่ทําจะให้มันสําเร็จมันมีมาจากที่ไหนมันไม่มีเหตุมีผลคนที่ตั้งหน้าตังา้งตาประพฤติปฏิบัติรักษาธรรมะเป็นอาจารลิโกนไม่มีการมีสมัยพระพุทธเ จ, จ้าทรงพระชนอยู่ลรืปรินนี้านไปแล้วก็ยังคงเส้นคงวายวิเดจัญหายังมีไหมล่ะ เร้าาชายเจ้าดับขันตัิทิ่นี้ผ่าไปมันยังมีอยู่กว่าสําระอันนี้แหะสําระที่มันมีอยู่เนี่ยที่มันก่อควรคจิตใจเยเอะเศ่าหมองเยอะฟองใสเยอะยินดียินร้ายมันเกิดมาเพราะเหตุอะไรตีสอบทีจแกลมาใจท้องตัวสําระสิ่งที่ชั่วบําเพ็ญสิ่งที่ดีทวีคูณขึ้นผลที่สุดก็เหมือนกันกับเราบํารุงตนไม่ ดอกผลท่องมันในต่อมไปบังคับให้มันออกตกดอกตกผลถ้าบํารุงลําต้นท่องมันถึงกาลถึงเวลามันเติบโตมามันก็ออกท่องมันเองถ้าหากักในบำรุงลําต้นไปถอนขิงเสี้ยออกดอกออกผลเสี้ยนะไ้นั่งบนอยู่นั้นจนวันตายมันก็ไม่ออกดอกออกผลให้เพราะไม่บำรุงรักษาลำต้นท่งองมันขันใดการประพฤตปฏิบัติ ใจใจของเรากขอํา น, นองเดียวกันขอให้ตั้งมัน่นด้วยศรัทธาด้วยความเพียรธรระจิตใจของตัวด้วยสติด้วยปัญญาต่างหน้าต่างตาที่นิิพพานาตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนมันจะเห็นจะเป็นขึ้นในใจิตในใจของตัวเมื่อมันเห็นมันเป็นอย่างไรก็ไม่มีใครที่จะมาแย่งชิงเอาไปได้ เหมือนสมบัติภายนอกผลจริงเรียวกว่าอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในใครได้ใครเห็นในใจิตในใจของตัวแล้วปลอดภัยไปก็ไม่ได้น้ําก็ท่วมไม่ได้โจนก็พ้นไม่ได้ชาลาชาจะมาริบออกไปก็ไม่ได้ในเหมือนหินทรัพย์คือทรัพย์ภายนอกถึงเป็นภัยอันตรายหลอบตัวลำบากในการรักษา ภัยอันตรายมันมีดังนั้นเราทุกท่านที่ตั้งหนา้าตั้งตาเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนารีบเร่งจะทําบําเพ็ญให้เกิดให้เป็นให้เห็นให้รู้อย่าไปถือว่าเราอาภัพอับวัาสนะอย่าไปถือเอาอาการเวลามันล่วงมานานมรรผลมิพรานมันหมดไปขอให้ทุกท่านตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติรักษา <c oughs> กายใ จ, ใจของตัวเรีนสิ่งที่ชั่วบาเพ็ญสิ่งที่ดีทาจิตของตนให้เกิดมาเกิดผลให้สว่างสวัยให้เยือกเย็นเป็นสุขบริสุทธิ์ผุดผ่องนี่เป็นเรื่องทุกคนที่จะต้องจะทำบาเพ็ญถ้าเราจะทำบาเพ็ญอย่างนั้นทุกท่านก็มีหวัง ที่จะถึงความบริสุทธิมุติธรามตามพระพุทธเจ้าได้เพียงแต่อยู่เฉยๆจะให้มันเช่นมันเห็นมันรู้โดยไม่เดืคิดในที่เจนาดูไม่เําอดทำละภาษาอะไรนั้นอย่าไปเชื่อมันว่ามันจะเกิดจะเป็นจะเห็นจะรู้ได้ส่องั่งหน้าต่างตารักษาส่องหน้าส่อง้าแต่ทาบ่มเพ็งภาวนาเพราะ ชีวิตของเรายังมีอยู่เรายังมีคุณค่าเรายังมีอา น, นาจวาสนาเพราะที่จะตัวร่างกายมาจา์และใจท้องตัวให้ไฟเศดวิเศษได้เราไม่อาภัพถ้าเราอาภัพเราก็ไปเกิดเป็นสัตว์แล้วนี่คำสอนของพรธเจ้าสอนมนุษย์เราไม่มีเขามีหางไม่เฉยหรือเมื่อเรา เป็นมนุษย์บริสุทธิ์จะเป็นยิ่งกว่าตามเป็นชายกว่าตามกว่าเป็นมนุษย์อยู่โดยดีเราต้องตั้งแน่ชำระสิ่งที่ชั่วให้ตกออกไปจากกายจากใจของเราแต่ทาบําเพ็ญสิ่งที่ดีให้เชีวีคูนขึ้นทำบริสุทธิ์ยิมุติไม่ต้องไปวิ่งไปฐานมามันจะเกิดเป็นจะเห็นจะรู้ในใจิตในใจของตนฉะนั้นขอทุกคน รงต่างหน้าต่างตาภาวนาละกิเลสขาดเพียนแก่ทมบำเพ็ญใสจิตใจของตัวเกิดเห็นเป็ น, ปนรู้ทำค ำ, ำสัง่งสอนของพระเจ้าจะเป็นสมบัติของเราโซดาภาิกิีท่าคาเม า, าราหันเป็นอย่างไรนั้นเราจะทราบได้จากใจของเราถ้าหากเราไม่เพีนไม่เห็น ในจิตในใจของเราจะอ่านจำลาจําได้มาขนาดไหนส่วนใจนั้นก็ยังมีคามสงสัยลังเลอยู่ตลอดกาลแต่นั้นขอทุกขท่านเป็นต่างหน่ต่างตาทิจรารณาละกิเลสแต่ทำมําเป็นความผากความเปียนให้เป็นเน็ดเป็นหน่วยเป็นกําลังความสามารถของตนเหมื่อทุกคนได้สังหน่ำสัตงตารักษาทําความดีอย่างนั้นก็จะประสบ เพราะแต่ความสุขความเจริญการอธิบายธรรมเ่เห็นว่าพอสมควรเกี่ยเวลาปพจจิบัเพียงแค่นี้เรียบ